พระธรรมเทศนาจาดกเรื่องแปดแหล่งออกยอดภูกติดเจ็ดเรียบเรียงใหม่จากต้นฉบับเดิมโดยอินสมชัยชมพูปเปรียงธรรมหกประโยชน์นักธรรมเอกอดีตเจ้ากนัจังหวัดเจีงยงไยนโม ตัดสาวกาวตออราตอสมาสัมพุทธัดสัเตออันากรรมปัติปัญจตาปาราณสิงสมะพจิงสุต สาธาโวดราสปุริตาตั้งหลายตั้งยิงใจนุ่มเทามีสัทธาเก้าเป็นพราทานจุงมานาสิการติดต่อบทบาดคอบาลีนียายมีไปแจ้งพระจิงแสงเทสานาวะเตอุโพดังนี้เป็นตน้น เพคเวดูราพิโกตั้งหลายอันเป็นสายอริยจาติเจือนักพาทะรงยานส่วนเศรษฐีผ่านปุท่าปาเมียหนุ่มเนาเบาบนเดินเตี้ยวห่นไก่หดได้หลายสิบโยด์กันนาเปื่อปอกมาเมืองเก่าตามกำเหล่าจะไข่เตี่ยวต่างไปจะใจนาอานับ อันใดเดือนไปจิงพันภายไปรอดเมืองแก้วยอดปุรีหันคนมีลมเท่าไหลหลังเขาเวียงใจกอดตววไปบอจอด ตอเตารอดโรงตานหันคนผ่านบ่อน้อยยืนเป็นถอยเป็นสายคนได้ลหลก็ปอกวายหน้าออกมีไก่ส่วนคนได้บ่อได้ <c oughs> ก็เลือนไก่ไหลต้วพ่องหับกวยหับซาพ่องเปืะบาตามป่อพ่องก็ออพ่อมพ้ำตั้งเขานำเงินคำ มีนานำไล่แล่เต้าก็แผ่นยอปันตามใจพันไข่ใดบ่อเว้นไว้อันใดก็มีหั่นและนาตาซะมิงเีว่าเสในวันนั้นเหล่าโปธิสัตเจ้าตนองอาจกับนางนาตอนุจา ก็ได้มาเป็นเก้ายกยืนเข้ายอยตานเศรษฐีผ่านใจยาปาเมียบาปนาไห ล, ะ ล, ะ ล, ะละตัวหาเข้าใกล้บ่อตันใดเล่งหัน <c oughs> ยังสลีสุ พ, นนพรนณดอนดาพภรยาเก่าเดมาเต่เาและตาพอซ้ำยังเขานำเงินคำว่างถงตำต่อหน้าไขรปากทาเร็วไว นางใส่ใจยอดใหญ่เอาของใส่ย่อพันมีหลายอันหลายสิ่งรสาหญิงนานาเท่าปลาลาโลใส่ทงปอไก่เต็มตันย่อมือพันต่างเกาคอแถมเหล่าหลายอันก็มีฮันนน่า เมื่อนั่ง น, นางนโนจา น, นายดใหญ่เล็งพอไขดูดีหันเสร็จทีพัวเก่ามองมนเ้าตกผ่านมาขอตานถึงรอดนางแก้ยยอดโซภาบอสังกาสักยเต่ากึดขวาดในใจว่าเป็นสันได้ผัวเก่ามุนมังเต่าเลือลายป้อยมาไกอยากไรมองมนไม้นำนา ยินคุณนาบ่โน้อยนั่งยอดซอยบุญมีก่อนจุลีน้อมไบเสึงเต้านอไทยโปธิญานขาบทุนสารบอกเก่าแก่ตันเ ต, าตา้าตำมีและอ่อไขว่าตีทำเหล่ายังพัวเก่าตกผ่านว่าเครื่องขวัวขานลายแหล่เงินคำแพทถมทองวังใหญ่กองแต่ก่อน เอาไปซ่อนเสียในพื้นขั้วใบแผ่นผ้าตั้งจังมางวัวควายใด้บำไวยก้อยกาดหรือไขยขาดไปไหนกะและใส่กะใหญ่อันแหลกใบเล่งแยงเป็นคำแดงตั้งตน้นเอาไปซ่อนเสียในเป็นสันใดอยากไรร่อนเดือดไหมนำนาหนั น, นจา้า ที่นั่นเศร็จีผ่านอยากจะแงนพอนาราจเตวีสั้นพอดีจำได้เป็นแก้วแก่นไทยอโนจายินสังกาหลายลากเหมือนมาหากหันเสือ้อยินไอเหลือลำล้นปูนไข่ล้นดีหายดักอยู่ได้ปังเป่าบ่อาตันเหลากำได้ก็มีหันและนะา เมื่อนั้นอาโนชาดาไทายกอน้อมไว้ทูลสาซึ่งพระมหาสัจเจ้าขอโปดเล่าคุนนาเอาวัฏฐาแผ่นพลา <c oughs> ตั้งเครื่องงาอลังการเงินคำคานหลายสิ่งมีการยิ่งหลายอันยืนย่อปันบากเต้าหือ้อผัวเก่าตกพาน หนอโปธี่ยานตันเต้าใจเจ่นเน่ายินดีตามทีวีมักไฟบอกโคตรหม่สันใดกันเจ้าไขาป่ปงขาดนางน้อยนาดอนอจัดก่อเอาคำคากอนใหญ่นำนักใดสามปันยืนย่อปันผัวเก่าของอื่นเล่าลายภาคการตั้ง ข, วาขาัวคานเสือพา นางยกกว่าตานไปปวดจังไรบาปเศร้าได้รับลาเปล่านำนาโอมือสา่้มไวบ่อเก่าได้กำได้น้ำตาไหลย้อยยาต้นไม่มาดเวิลนก็ถอยหนนปิกปอกไว้หน้าออกขึ้นมาก็มีหันเลยนะา ทันว่าโจตีลาบาบเศร้าเสดที่เก่าตกผ่านมีใจบ้านจินจอยปาเมียน้อยปลาลารีบไก่กาไปสู่ยังที่อยู่เดิมอ่ อ, อนซ้ำอววร้อนร่ายห่อเฮือนใจไปฟังหาที่ยังบ่ได้เป็นต้นไม่เสือวันขึ้นเกี้ยววันหน่อยยาด หลังคาขาดเป็นหูฝาตกโจลุ่มไตปัวขึ้นไล่กินตรงแป้นตกลงกองไข่เหตุละไววเมื่อ น, นาน <c oughs> เศรษฐีผ่านปู่เท่ามองมนเ้านำนาโอยหิมะไหวต้อมแป้งตูบต้อมปอนอนบ่อดเที่ยวจรซสอสอดกึดใจรอปิจาจรณา ว่าเกิดมาปางนี้บุญบาปจีปาเป็นได้เครื่องเข็นกันอยากนับแต่หากสองที่เป็นเศรษฐียศดใหญ่นับบา่ไดา้สองหนยามตารนอยากไรหาบ่ได้ปองปันปีน้องพันผาค้างเปื่นป้องห่างหายนี้ยามเป็นดีมั่งเตา เขาหลังเขามาจู่ว่าพี่ น, อน้องกูแต่เล่าสืบแต่เขาเดิน ม, มาเป็นวงศาเจ้อจะตัดบกขาดปายใด <c oughs> บอกว่าไกลแลกไกเขาซอไซทำหาญามอณาธาตำเจ้าแม่นวานตาตำกันเขาบอ่อหันสักผู้ บ่ก่าวโอคำดีโจตีลาเศรษฐีใบบอดคืดรูร้รอดไปลุ่นเล็งหันคุ้นเมื่อซ้อยเมื่ออยู่ตูบน้อยมุงคา <c oughs> จริงอตสาคำเจ้าต้วไต่เต้าตามทำแบ่งเอาคำก้อนใหญ่ยจ่ใจใจกระทำการมันหื้อตานบ่ขาดบ่พามาตั้งศีน ซอหากินเลี้ยงใสอันหาใดตามทาเมียขบย้ำผัวเท่าตามรีดเก่ากองดีไรว่าตีเก่าถอยกวนจืนจ้อยปิญ่าบ่อปลาหยาบจ้าบ่อดาว่าผัวแพงผัวบ่อแข่งดาโยบ่อต่อยป่อขัวเฮือนบ่อเฝ้าเฟื่นขอดไม่อดใจไว้เป็นตื่น นอนเมื่อคืนคืดปองตาวันสองก็ทําการบ่อป้อมันบ่อปอนานสาร่ำเขาของพ ม, มีมาบ่ออนาถากันอยากบ่อลำบากเครื่องขีเงินคำ ม, มีใจใจดังไพไตยเจ้าเมืองบ่อปอกเรื่องเดือดร้อนเมื่อเมื่อก่อนเดิมมาก็มีฮันแนน่า แม่นมีผู้มาจากเก่าไขาหูข่าวไปลังว่านอปุธังยอดซอยแดนนางนัดน้อยอนุชาผู้โซภาบบาเส้าแม่ห้างเก่าเศรษฐีมาเป็นเตวีห่วมค้างอยู่ก่อสร้างหอใจเป็นกำไดตอบต้องจุงจี้จองใครมา ก่อนคำขาก้าใหญ่เกิดป่าไม้ดงดานกำสมปานแห่งเจ้านาบุญเก่าสันใด้อจุงไครเก่าวแจ้งเฮือเสียงแห่งสังกาก็กวรจากก้าอู่เฮือได้หูตามทำบัดนอองคำที่ราชเมื่อหลายจัดเดิมมามีโฟกาหลายหลาก เออของสากเป็นตานแก่สมัอาจารย์เจ้าเจ้าแก่คนเฒ่าอนัตถามีศรัทธาบ่อนอยใจก่อถ้วย น, นำ้ำกินสักกรำเป็นสากจริงบริจาคตานไปของกินได้น่อยใหญ่ตั้งลูกไม้หัวมันกันจักปันยกยืนแก่คนอื่นนานา ก็หย <ítulo> ิบมากินก่อนแล้วจิงยอนเตตานกำนันปานมาตองได้หนังห้องเป็นภายากับอาโนจานุ่มเน่าแม่ห้างเก่าเศรษฐีวิบากมีดังนี้บอลีกลีไกกาทัศมาเหตุนั้นเหล่าคนหนุ่มเทายิงใจ มันมีลายเหลือหลากเรือตกอยากตกผ่านจักเหื่อต้านขาวนำบัตถทพัมตามมีกวรดาดีแบ่งส่วนเหื่อถูกทวนเป็นอันอยาหือมันเป็นซากจริงบริจาคตานไปเป็นต้านจาาตานใสผาเสิด พาละเกิดดวงหลายเฮือสมมยไฟห้อยบ่อกาดก้อยเสียสุมและนะผู้นาเจ้าปรารังแถมพาการหนึ่งเล่านอพระเจ้าบุญ น, นาแต่เหมือนมาหลายจาดสัทธาเจบาน ได้เหือตานพับจอดได้ตานตอดลายปางวางตามตางคุมไม่วางตอดไว้ลาดีแปลงใจดีจืนสู้ <c oughs> ว่าแม่นเผาผู ว, วคนได้ยอยู่หนไกหรือไก่คนอยากไรตกผ่านหรือสมนาจา์เจ้าเจ้าคนหนุ่มเทายิ่งใจ <c oughs> ผู้ได้กายมารอดรับเอายอดของตานค่าเจริญบานจื่นสูบ่บอกว่าผู้คนได้เกิดมาไหนจาดนี้บุญก่อนกี่ตัวมาป้าคำขากะใหญ่าาในป่าไม้แดนดงย่อนอานิสงตานตอใได้มารอดตึงตันนั้นเลยนะ อันว่าโพธิสัตว์ตนองอาจกับนางนาดาโนชจาเป็นพญานังห้องคงเขต้องปาราณีเมื่อหลายปีขวบเขานางนอเนาอนุจ่าก็พาสู่ได้บุตตาหนอน้อยงามจื่จ้อยเปลง ผิวาขาวแดงว่าว่องวันณะสองเรื่องไรเจ้าห่อใจตนป่อกึดใจพ่อหันตันจิงใสชื่อปั่นลูกเตา้าตามเหตุเก้าหันมีวาสุริยารังสีวาอันแรกแต่นั่นเหมือนมาสามมาสาคบไั่นางหนอไทยตวี ก็พาสุดใดบทีแถมเหล่างามบ่เศร้ามีวันดังพระจันทร์อยู่าพดจากฝ้าเมฆาพระพิตาปอไทยจิงใสจือไว้ปันไม้กูกับใจพี่เจ้าว่านังนอนเนาจันทรังสีเหตุนางมีผิวพ่องวันน่าส่งเรื่องไร เจ้าห <c oughs> ่อใจตนป่อฮักสองนอใจยิ้มฮือแปงปิ้งอยู่เฝ้าทุกคำเจ้าขึ้นวันก็มีฮันและนะตาตาในกาลนั้นนอปทีิญาณบุญกวางอยู่เสพสังสะเวยสีปฏิบัติคำเจ้าตามแบบเบาราชธรรม บ่อใจดำหยาบเจ้าบ่อคำคาคนใดกินตานไปบ่อขาดบ่อผาะมาตลาสาเมืองปา ร, รากว้างใหญ่บ่อร่อนไมเครื่องขีขาสักนีก่ก้อยกาดฟูงอุบาที่หายเขานำลายเดือแหลลูกไม่แพ่เต็มเมืองคนนั้นเนืองคำเจ้าบ่อ บ, บนเศร้ามองผ่าน สวกสำรานเจืยนจ้อยตั้งใหญ่น้อยยิงใจเจ้าบุนผายหยดใหญ่กับนังหนอไทยอโนจาเป็นพญาสเวราในภาษาไใสีสำรานดีใจจ้าจุมไพ่ฟ้าเจยบ้านหึงเมื่อ น, นานแต่เหล่าลายควบเขาวสซา ก่อไก่กาก้อยก า, กยกาดับจิตจากเมืองคนบุญดำตนไปเกิดติจัน้าเลือตูสีดากามีหันแลยนาเตนากระวาสิโนอันว่าคนตั้งหลายมวลหมกาอันอยู่เวียงใจคือเสนาในาอามาตพรหมนาจยา์เศรษฐี กะฮาบอดีปอก่าพร้อมทวนนาจูคนคนเขาเวิวนร้องให้เสียดา ย, ตายดาเต้านยศใหญ่บุญมีกะบเทวียอดซอยอันกาดก้อยเมื่อมอนเจ้านากอนจูผู้ร้องให้กูยิงใจกันสกหายเสียงขาด จุมอามาเสนาเขากอดาแต่งหางเลิกสากเจ้าจังบุญมีตามพระเพณนีแต่ก่อนบอกให้ผ่อนหายซูล <c oughs> ปางปายลุ่นเมื่อเจ้าก่อพิเศกเจ้าฟาสุริยารังสีสือปุรีแทนพ่อก่อสัางต่อแตนเมืองกับนางบุญเรืองหน่อนา เ้อเป็นเก้าเตวีสเวยสลีบอขาดในภาษาเจียงคานเธอสำราญเจียนจ้อยแก่ไพน้อยคนไในเจ้าห่อใจตนใหม่ก็เตียวไตตามทำปฏิบัติตามกคำพ่อแม่บอเวนแวอันใดจุมไพ่ไตใหญ่น้อย บ่ตำก้อยมองขีสำรัญดีบ่ผ่อนดังแต่ก่อนเดิมมาก็มีวันนั้นเลยนะศรัทธาอีมังท ร, รมาเตสนังอาหาริตวาจาตกังสมุทานสิสิศรัทธาสัมปัญญูตนนระเสด เอ่ยบังเกิดมงคลแก่ผู้ดูจนตัวดาถึงจันฝ้าคงสวรรค์กันไขปันเสียงขาดยังอตีตาจัดเดิมมาซ้ำคุณนาบอกเล่าจักจักจัดเก่าเตรียมตั้งกะปั่จุบันฮื้อแจงพระจริงแสงเตสนา ว่าตาตาพิตาอิตานิสุทธทตานราชาดังนี้เป็นตนพิงาเวดูราพิงคุส่งตนทรงสินใสสะอาดเจือนักผาทรงยานส่วนว่าใจผ่านอยากไรพ่อเจ้านอไทยบุญมีดับอินทีกาดก้อยเมื่อลูกน้อยยังแดง คือเมียแป้งอยู่เฝ้าเลี้ยงลูกเต่าเดียวได้เกิดแล้วตายหลายจาดบอดได้ขาดเตียมมากคือพญาศลีสุทโทตตนะยดใหญ่ป่อพระติวัยสัปญญุในกาลัติเลนาะ อันว่าแม่เจ้าคนผ่านเลี้ยงกุมารลูกน้อยตุ๊กตํำก้อยบองขี้บ่อถึงปีคบไั่กำมาไล่ตวยตัต น, ลนลาจำควันดูกลาเป็นกำพาเดียวได้ต่อตอนตายปองไกลูกปอได้กินนอนหากเดิมอ่อนหลาจาด บุญบ่อขาตัวยมาคือสรีมหามายางามแงอันเป็นแม่พระถารกตาในกาลบัตนี้แหละนะส่วนแม่ไม้คนผ่านเอากุมมานหนอไทยไปเลี้ยงไว้ยามแดงบุญนั้นแฝงตัวไตคือหากได้นางพระจาบาดีโกตะมีในกาลบัตนี้แหละนะ อันว่าจติลาเศรษฐียอดใหญ่บตดขี้ไรบุดเป็นดีสองสามตีบคบไข่คือหากใดอนาถปาาินดิกะปะหาเศรษฐีในกาลบัรนี้แลนะอัศาจานิโยอันว่ามาตัวองอาจป่าเจ้าน้อยนาจคนผ่านต้วพระผู้บานเต่าไทยเข้าป่าไม่พรสน บุญมาดนรอดไกลคือหากมาใดมากกันทะกะนำพระตาคาตะออกบวทัสรูแล้วลวดเป็นคู่ในกาลบัดนี้แหละนาะปาราณสีราาอันว่าพญาปาราณสียศดใหญ่รังวันใสโตปันมีหลายอันหลายสิ่งของการนิงนานา แก่พุธาน้อยนาฏบุญบอ่อขาดหายสูนปางปลายลุ่นนี่ใสบุญนันไหลตัวมากคือมหานันตะเทระเจ้าในกาลบัตนี้แลนะ่นาสุริยารังสีอันว่าเจ้าสุริยารังสีสือปุรีแตนปอก่ อ, อสังต่อเวียงใจบ่อได้ไก่จากห้อง บุญจากจ่องดำมาคือเจ้าราหุนเทนในกาลบัต้แลนาจันทรังสีอันวาราจาทีดางามอาจจือนางนาจันทรังสีบิวัตดีบ่อเศร้าแตนแม่เจ้ามาันดาบุญนำปาจากรอดคือนางแกหยอดอุ ป, ปาลวันนาในกาลบัต้แลนา อโนชาส่วนนางอาโนชายอดใหญ่จมแจงไข่กองดีนาบุญมีมารอดคือนางยอดหญโสทาราในกาลบัดี้แลยนะราจาอันว่าพญาปาราณสาีตนองอาจเป็นเจื้อจัดคนผ่านบุญสมปานจากจ่องใดหนังห้องสวยเมือง นาบุญเรื่องนักโสดได้เป็นพระโพธโลกาคือปตตากะตะในกาลบัตรนี้แลนาเสสาปริสาอันว่าคนตั้งลายนมเท่าบ่อได้เล่าไรมาคือเสนาอาบาดพระจรา์คนใน อันมีใจพ่องแผ่ปฏิบัติแล้วตามทมบุญนันนำมาไข้คือหากใดภิกขุภิกขุนีโอปาสากาโอปาสิกาแห่งพระธถามกตานกาลบัินิแลนะตุมเหภาวันตาตันตั้งลายมวนหมูอันนั่งอยู่นานำได้ฟังธรรมแปดแรงติดงอกแสงเป็นใบ จุงใส่ใจจำไว้เป็นไม่ไตจนำตัง้งยาสว่างตุมตอดกึดใจรอตามร้ว่าเศรษฐีกายทุกยากย้อนวิบากสั่งเจ้าคนนานาถาอยากไรบังเกิดใดเจยบ้านบุญสั่งปานตอบตอง คึอดหันปองหันใสจุงนำไปบอกเหล่าแกลูกเตาลานเลนเตียนย่อมเป็นบุญกว้างดังตาตั้งสากอนบ่ออาวอนศกเศร้าตุกคำเจ้าสัดซาดีบ่ยาจังเลน้า เนธตังขีญาสังวั น, นานาวิเศษจาห้องเหตแปดแหล่งออกจอดถูกทวนเจ็ดก่อสำเร็จเป็นไม้ว่าสุดปลายเตาวีเ ต, า, เตานี่หากวางลงก่อบังกมสมเร็จเสร็จแล้วเตานี่ก่อนและ